ญาติโยมก็จับคำใคร่ใจใจแล้วฟังมันไม่ค่อยได้ยินเรียงหลบ ก, ก็ไม่ค่อยดังพูดตามไปวันนี้เป็นเป็นวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่วันดี 4, วันที่สี่นะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สี่แล้วก็เดือน ษษเหนื่อยพุทธพาแล้วนะเห็นนี้ก็เป็นเวลา10 1 0มงกับ น, งงงงนี่อลวงพ่อบ่ายโมง13 0 0งนะ13 0 0กับ8นาทีแล้วหลวงพ่อเจอกันกอีก3คันอื่นจะเป็นอย่างี้การฟังธรรมะวันนี้ก็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 เป็นจัตติยลักษณ์อยู่เพราะคุรุชนแปลกผู้ผนาไม่มีความละอายสำหรับคุทุชนเพราะสัตตเยลักษณ์ประคายคสือกันจัตติยรักษณ์ไม่มีอายถ้าหากไม่หลุกค้นจากสิ่งเหล่านี้ก็น้าตาแคนขามือเท้าเป็นคนแต่ไม่หลุกค้นจากสิ่งเหล่านี้การศึกษาหลักพุทธศาสนานั้นท่านให้ศึกษาเอาคนอยู่ใต้ แล้วเราจะนำหลักปฏิบัตินั้นม า, มาใช้ในการให้ตามจุดมุ่งหมายของศาสนาได้อยางไร่าผู้ศึกษาตัวเองศึกษาลงไปที่จิตใจของคนทุกคนมันมี จ, จิตใจในวากายกับใจหรือว่าลูกกับน้ำอะไรก็ได้กายกับใจธรรมดาคนขึ้นบ้านในว่ากายใจภาษาธรรมะในวรลูก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 นี่หลักพุทธศาสนานี่คือทุกคนนั่นแหละเป็นตัวศาสนาเคำว่าพุทธศาสนาเน่ยคือตัวสติตัวปัญญาของทุกคนแต่ไม่ได้พูดเรื่องสมาธินะอืคําว่าสมาธินี่ยมันเข้าใจไม่ตรงกันเพราะว่านานาจิตตังวอมเห็นไม่เหมือนกันบางคนต้องไปนั่งทําสมาธิหลวงพ่อก็เคยทาคํามาอันนี้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 ทำการทำน้ำผผิดเน้ยจะไปทำการทานางธุระหน้าที่อะไรก็ตามจะไปศึกษาเล่าเรียนหนังสือข้อตามคุณเรียนหนังสือจบตำไหนจบมหาวิทยาลัยครับคุณครับมหาวิทยาลัยขั้นไหนปริญญาตรีครับตรีา ท, ทางา น, นเป็นรับรษษาชการรัฐราชการกําเน่ครับต ร, ร, รีหก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 เคยรููจั๋ววัดเป็นศาสนาเนียเข้าใจยังไงพระสงฆ์องค์เนรเป็นตัวศาสนาเนข้าใจยังพระุทธรูปเนี่เป็นตัวศาสนาอุติเรี่ยหารโบสถาราการปรเรียนเป็นศาสนาเนข้าใจเข้าใจอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ทําบุญนองมากตายแล้วต้องไปสุดนรกสวรรค์ไม่รู้เรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องตัวเองมาพูดเนี่ย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 ตัวหลวงพ่อเองเนี่ยเข้าใจว่าอันนั้นเป็นพุทธศาสนาเข้าใจเลยอันนี้แหละรู้อย่างผู้ไม่รู้รู้อย่างผู้รู้คืออันนั้นไม่ใช่เป็นพุทธศาสนารู้อย่างผู้รู้เอง อ, อันนั้นไม่ใช่เป็นเมื่อทำสมาบัดแต่ได้แล้วก่อนี้ไม่ได้ทางคนฟุ้งพระองค์คนหนึ่งนี้มาก็มาทําทุกขกะกิริยาเช่นมาอดข้าว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 ดุบมีลานไข่ไหนตนเราท่านควรบังคับคนให้จิตหมูนมาจะในทางข้างดีเพราะปล่อยให้จิตหมูนไปในทางข้างขี้ทาที่มีก็จะหนีจากนายหายสูญท่านทาที่มีนั่นคืออะไรทําที่มีก็ควรมรู้สึกนั่นเองเราไม่รู้สึกก็หนีจากเราไปแล้วนี่พระธรรมเข้าเข่งําวงควรมละยันสมบูรณ์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 พราะมองเห็นสภาพอะคำคำนี้มันไม่มีในเราคำคำนี้มันจะโกดขึ้นมาท่านเห็นพระพุทธเจ้าท่านเห็นยอดสูงแค่หนถ้าคนใดไม่มีโกรธจะสบายใจท่านเขเรียกว่าเป็นเทวดาก็ได้เป็นพระก็ได้เลยผู้หญิงก็เป็นพระได้ผู้หญิงก็เป็นเทวดาได้ผู้ชายก็เป็นพระได้ผู้ชายก็เป็นเทวดาได้ถ้าสงฆ์องค์เด็กก็เป็นพระได้เป็นเทวดาได้เหมือนกัน